อ่ตั้งใจฟังหน่อยแต่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะให้จรดสติไปเพราะว่าที่เล่าวันนี้คงไม่มีอะไรมากคือบรรยากาศแบบนี้นี่ทําให้บางครั้งก็ทําให้นึกถึงตอนที่ไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษนะประเทศอังกฤษนี่อากาศครื้มบ่อยแล้วก็ฝนตกพรำนี่เป็นประจําอาตมาเมื่อสักยี่สยี่สิบสามปีก่อนไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอมรวดีซึ่งเป็นวัดของ หลวงพ่อสุมเมธโธ ท, ท่านเป็นเจ้าวาดัดหลวงพ่อสุมเมธโธนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาจะเรียกว่าวัดอมรวดีนี่เป็นเรียกว่าสายของหลวงพ่อชาสายนองพระพงษ์ก็ได้บรรยากาศหรือประสบการณ์อนึงที่ประทับใจที่วัดอมรวดีก็คือตอนไปบินทบาทที่นั่นนี่บินทบาททุกวันนะหรือว่าแทบทุกวันไม่เหมือนกับวัดไทยในต่างประเทศนะไม่ค่อยบินทบาทกัน ส่วนใหญ่ก็รอญาติโยมมาถวายอาหารหรือบางทีพระก็ทําเองเลยนะถ้าไม่มีโยมมาถวายพระบางทีทำข้าวต้มฉันเองเลยแต่ว่าที่อามาราวดีแล้วก็วัดสาขาหนองประพงศ์ในต่างประเทศทุกวัดนะก็จะมีการบินทบบารตอนที่บินทบบารใหม่ๆนี่ก็ไม่ได้อาหารนะแต่หลวงพ่อชา้างเขบอกว่าบินไปเถอะเพราะว่าไม่ได้หวังเอาอาหารนะแต่มุ่งเอาคนเอาคนก็หมายถึงว่าไปปรดญาติโยมแล้วก็ ถือโอกาสได้ไปแสดงธรรมเผื่อฝรัง่งก็สนใจก็จะได้สอบถามเป็นโอกาสให้มีการสนทนากันใหม่ๆนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าในอังกฤษนีคือมีกฎหมายห้ามขอทานในเวลาพระไปบิณฑบาตนี่ก็มีคนไปฟ้องว่าพระมาขอทานก็ต้องเจรจา ก, กันนะว่าไม่ได้มาขอทานนะอันนี้มันก็เป็นการทําศาสนกิจแบบหนึ่งไม่ได้หวังเอาอาหารนะแต่เอาคน แล้วก็ไม่ได้เป็นการปลดญาติโยมไปด้วยตอนที่จะมาอยู่อัมรัดีบินธบานนี่ก็ออกสายนะประมาณ8ปดโมงถึงจะออกกว่าจะกลับวัดก็เกือบเพลนนะก็คือทั้งเช้าเพราะว่าต้องเดินเข้าเมืองเมืองก็อยู่ไกลนะเดินก็เกือบเป็นชั่วโมงแต่ว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าเดินผ่านป่าป่าประเทศกินนี่มันไม่รกไม่คลึมเท่าเมืองไทยนะแต่ว่า มันมีสเสน่ห์เพราะว่ามีสิงสาราศาสตร์ให้เห็นอยู่เป็นประจำบินธรรมปานี่ก็บางทีก็เจอกวางเจอกวางกวางเขาถูกปล่อยให้เลี้ยงให้อยู่กินตามธรรมชาติขนาดว่าป่านี่ก็ไม่อยู่ไกลเมืองนะอยู่ติดกับเมืองเลยเมืองเบอร์แคมสเตดแล้วก็เบอร์แคมสเตดก็ไม่ได้อยู่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่จริงแม้แต่ลอนดอนเองนี่ก็มันก็มีป่าอยู่ใกล้ๆนะคนก็เจอจิ้งจอกเป็นประจำที่ก็เจอหมี ถึงก็บอกว่าให้เก็บปิดบ้านให้ดีหรือว่าให้เก็บทั้งขยะให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวพวกจิ้งจอ้พวกหมีมันมามันมาคุยเขียหาของกินบิธาบ่ายก็เดินผ่านป่าเข้าไปในเมืองปกติคนคนที่นั่นนี่เขาไม่ได้ยืนรอใส่บาตนะเขาไม่ได้รอใส่บาตแบบบ้านเรานะแต่ว่าเราเดินเข้าไปบ้านเขาเราก็รู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีใครเป็นเจ้าภาพบ้างสลับกันไปวันนี้ไปบ้านนี้พรุ่งนี้ไปบ้านนั้น ระหว่างทางอาจจะมีคนเห็นเหพระมาแ ล, าล้วคนรู้ว่าพระมาบินธบาตเเขาก็อาจจะถวายอาหารถวายขนมแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เราเราจะไปไปรับบาทจากบ้านที่เขาปรารณาไว้อยู่แล้วเข้าไปในบ้านเขาเขาก็เอาอาหารมาอาหารน้อ ย, อยเล็กๆมาถวายนะประเดิมก่อนเช่นดิสกิตมั่งครัวซองบัางหรือว่าพวกชากาแฟแล้วก็สนทนากัน บินทบาทแบบนี้มันไม่เหมือนที่เมืองไทยนะบินทบาทเมืองไทยแล้วไม่ค่อยได้สนทนากับญาติโยมเท่าไหร่นะแต่ว่าที่อังกฤษนี้เราได้มีเวลาสนทนากันเพราะว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปรับบาตจากบ้านเยอะเท่าไหร่วันนึงก็ไปรับสักบาตรสบาตนะบ้านสองบ้านหรือบางวันก็บ้านเดียวแล้วก็ไปสนทนากับญาติโยมนะก็ได้รับรู้เรื่องราวของชาวอังกฤษ ส่วนญาติโยมชองกิกไ็ได้ได้สนทนาธรรมกับเราเขาก็ได้รู้ความเข้าใจในธรรมะคนที่นิมนต์เราไปรับบ่าสนี่ไม่ใช่ชาวพุทธเสมอไปนะบางทีก็เป็นชาวคริสต์ก็มีบางคนก็น่าสนใจเป็นยิบซีนะเป็นแต่ยิบซีนี่เป็นยิบซีแบบกลายพันธุ์แล้วนะก็คือว่าเป็นหน้าตาเป็นฝรั่งแต่ว่าบัณฑพะบุษนี่เป็นยิบซีก็มีความสามารถในการทำนายทายทักได้ แล้วก็สนทนากันเรื่องพวกนี้เหมือนกันอันนี้เรื่อเป็นการเอาคนจริงๆเลยนะเพราะว่าได้ได้ได้คุยธรรมะ ก, กันเกือบชั่วโมงนะแล้วก็พอได้เวลาสัก10บโมงหรือ10บโมงครึ่งเจ้าภาพก็จะถวายอาหารใส่บาตรส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผักเป็นพวกบิสกิตพวกขนมพวกอาหารแบบอาหารแห้งแล้วก็ขับรถมาส่งเราที่วัดขากลับไม่ต้องเดินนะขากลับนี่เขาขับรถมาส่งก็ใกล้ๆเพนพอดี ที่วัดมาราวดีนี่เขาก็ฉันมื้อเดียวนะที่เริ่มมื้อครึ่งก็ไดนะ้ตอนเช้าก็ฉันฉันประเภทพวกข้าวโอ๊ตนะฉันข้าโอนะ๊ต ข, ข้าต้มแบบของเขาอะ่ะเรียกว่ารองท้องแล้วก็มาฉันอีกทีจริงๆก็คือตอนเพลนถ้าเป็นเมืองไทยวัดที่ฉันมื้อเดียวก็ฉันประมาณใสายหน่อยเก้าโมงสิโมงนะแต่ว่ามารดีก็11บเอโมงก็มีโยมาถวายอาหารนะทางวัดก็ทำเพิ่มได้ อันนี้ประสบการณ์การบินถ่ายของอ่าพัตตมาที่วัดอมราวดีหรือว่าที่ต่างประเทศนี้ก็เรียกว่ามันแตกต่างกับเมืองไทยเยอะนะแล้วก็มีทั้งอ่าความสบายและความลําบากข้อหน้าหนาวนี่มันก็หนาวมากๆนะเวลาบินถบายนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ถอดรองเท้าต้องใส่รองเท้าเพราะว่าต้องเดินผ่านทุ่งหญ้าผ่านป่าผ่านไรนะ่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่บางทีต้องใส่ใส่รองเท้าบู๊เลยนะเพราะว่ามันมีเกล็ด มันมีพวกฟรอสมันมีพวกน้ําแข็งนะมันเกาะอยู่ตามต้นไม้ตามใบหญ้าใส่รองเท้าอย่างเดียวไม่พอนะต้องใส่รองเท้าบูทเลยอากาศก็หนาวมากแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าได้เจอผู้คนได้สนทนากันแต่บางทีก็มีคนไม่เข้าใจนะบางทีเขาขับรถผ่านมาเขาตะโกนด่าก็มีนะก็ทาใจนะตะโกนด่าโดยเพะเวลาเดินไปในเมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนนี่ แต่ก็แปลกนะคนที่เขาด่าเราเขาเขาด่าแล้วเขาก็รีบหนีนะไม่ได้ส่วนเรานี่กลับยิ้มให้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจไอ้คนถูกด่ายิ้มนะแต่คนด่านี่กลับรีบทำรีบไปนะมันก็แปลกดีนะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแบบนี้แล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าพระมาทําอะไรเพราะนั้นการที่จะมาใส่บาตรถวายอาหารพระระหว่างทางหรือว่า สแสดงความเคารพนบนอ ก, น อ, กอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เป็นอย่างไรก็คิดว่าคงจะคล้ายคายของเดิมเพราะว่าพุทธศาสนาในอังกฤษตอนนี้ก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะก็เราเป็นเกรดนะเตรียมรับพร